ทัานธรรมยังพุทธาภควะโตุปธภภาคนมการังการโรมะเส่นะโมจัสสะภควาโตพอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นระราห์โตเื่องเป็นผู้ไปจากิเร สมมาสมุัสสัตว์เรจะรู้จบทได้โดยพราเองนามว่าจักรพรรดิองอน้องน้องดพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารเรงเป็นผู้ใครจากกิเลสสมมาสมุ รูช้ชอบด้โดยพระองมมค์เองนะโมตัสสะพระพธเจาขอนอบแเ่พระผู้มีพระภคเจ้าพระองค์นั้นพระหาโตซึงเป็นผู้ไรจากิเลสัมมาตัมมุตัสสะสะ